ในช่วยที่กำลังเหนื่อยเนี่ยถ้าทำใจไม่ให้ทุกได้เนี่ยโอ้ใจมันหายเหนื่อยแล้วมันถูกแก้ไขแนละ้วแต่ความเหนื่อยค่อยๆ ค, คลายลงไปต้องรอเวลา อ, อย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้ขึ้นมาในร่างกายมันก็เหนื่อยนะพุทธเราทำใจไม่ให้ทุกได้เนี่ยเดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆผ่อน ค, ค, ค, คลายมันก็หายไปเองเราได้ข่าวจากใครบางคนว่าโอ้ญาติของเราคนที่เรารัก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 ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราเข้าไปเป็นให้เราได้เรียนรู้เพราะนันเราต้องศึกษาทุกขเรียนรู้ทุก์เพื่อความไม่มีทุกข์อันนี้เป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยากท้อเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องทําก่อนการเจริญสติเนี่ยสาคัญเป็นสิ่งที่ต้องพิจนารณาและต้องทําก่อนจึงต้องพูดเรื่องสติมากๆ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 มันไปวัฏฏานแต่พูดถึงเรื่องสติขึ้นสมองนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เจริญเรามพื่อแต่คิดคิดคิดคิดเรื่องสติเนี่ยมันก็ขึ้นสมองเหมือนกันมันก็จะเป็นเขาเรียกวิปัสสนูปะกิเลถ้าไม่ใช่สติปฐานไปนสติที่ไม่มีฐานเนี่ยปล่อยให้สติขึ้นสมองเนี่ยมีโอกาสเป็นวิปัสสนูได้นะวิปัสสนูเนี่ยสติกล้าจนเกินไปมันก็หลงไปในความคิดเหมือนกัน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 เราจะสะเก็ว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติทางนั้นเลยเห่นเช่นอนุสติใช่การปฏิบัติอนุสติกายกคตาสติเนี่ยบางคนคิดล่วงหน้าคิดไปเลยนะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับสติในทางทำนะานาปานาสติสติปัฏฐานสี่สติอินสีสติพะละสติโพชง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 สติมาสมาธิก็ตามมาเริ่มต้นก็ต้องสติในถ้ำกลางก็ต้องมีสติฝนสุดท้ายก็ต้องอาศัยสติตังนั้นอะเบื้องต้นถ้ำกลางที่สุดก็ต้องมีสติอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสําคัญมากสติจำเป็นต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติแปลว่าความระ ล, ะลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวไม่ลืมนื้อลืมตัวว่าเรากาลังนั่ง ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวไปทำอะไรหรือจิตใจมันคิดนึกอะไรสติรู้อยู่เนี่ยแค่เนี้ยกายกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรนี่คือหน้าที่ของสติถ้าพูดถึงความหมายแล้วก็เราอาจจะสับสนแต่ถึงอาการเราก็จะเข้าใจคุณรู้เรื่องของกายเรื่องของใจโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงว่าเทียนเนี่ย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 คือรู้ได้ทั้งกายทั้งจิตโฉนนาแล้วเนี่ยถึงจริตรสิตโฉนนานรู้กายโฉนนานแล้วเนี่ ย, จ, จ, นน ย, นนยจะรู้อะไรก็ได้จิตเกิดก่อน อ, อ้ารู้จิตถ้าจิตยังไม่เกิด อ, อ้ารู้กายไม่มีเรื่องให้รู้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยเนี่ยผู้ที่ปึกใหม่ๆเนี่ยผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์โกศินท่านก็เล่า ว, ว่าก็มีผู้ที่สนใจมาปฏิบัติอาศัยสถานที่นี้ปฏิบัติ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 ถ้าเราไปห้ามความคิดไม่อยากให้มันคิดเลยตกเป็นธาตของตันหาคือความไม่อยากเห็นไหมความไม่อยากให้คิดเนี่ยมันเป็นตันหาแล้วตกเป็นธาตตันหาเลยก็ปล่อยให้มันคิดไปหน้าที่ของนักปฏิบัติคือเจริญสติรู้กายไปเรื่อยๆให้มันแน่นให้มันชัดเจนให้มันชํานาญพอรู้กายประนานในสติมันจะนําหน้าความคิดเลยนะแต่ก่อนตามหลังความคิดเออมันฟุ้งซ่านไปตั้งนาเราต้องเรียนรู้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 สิ่งที่เกิดรอบๆตัวเราสติเป็นหน้ารอบรอบตัวเร า, เราคือสติถ้าเพ่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือสมาธิรู้กว้างๆรู้เบาๆห่างๆแบบผ่อนคลายจิตมันก็จะผ่อนคลายไม่เครียดแนละเมื่อจิตผ่อนคลายมันก็จะเป็นกลางนะจิตที่ผ่อนคลายทาให้จิตมันเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางเป็นกลางระหว่างที่เราไม่เพ่งเข้าไปสู่ข้างในเกินไป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 แต่จริงเนี่ยถ้าเรารู้สึกดูดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปส่วนของกายเนี่ยเรียกว่ารูปแค่นั้นแหะสักแต่ว่ารูปเท่านั้นหนอจะรูปอ้วนรูปผอมรูปสวยรูปไม่สวยหล่อไม่หล่อมันไม่ใช่เนี่มันสมมุติรูปไม่มีสวยไม่มีไม่สวยะไอ้คำว่าสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยมันเรื่องสมมุติมันไม่ใช่รูปมันเป็นความคิดปรุงแต่งรูปที่ป่วยไข้รูปที่พิการไม่ใช่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 กินของเก่าเอานังพริกถ้วยเก่ามากินมันไม่อร่อยแล้วหยุดไม่ได้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเไเดี๋ยวนี้เขามีร้านรับซื้อของเก่าอันนี้มันเป็นปิศนาธรรมนะผมว่าของเก่าเก่าเนี่ยมันเหมือนอย่างกับอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นของเก่านะ ก่อที่เราจะมาเกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเป็นของคู่โลกเราเกิดอยู่มันก็มีเราตายไปแล้วเนี่ยโลกนี้ก็ยังอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของเก่าเก่าร้านรับซื้อของเก่านั่นคือให้เราเอาของเก่าๆอ่ะทรงขึ้นพยาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซะบ้างเราจะได้ไม่หมกมุ่นกับความคิดในอดีตเคยมียติธรรมเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาขับรถ พาภรรยาไปทานข้าวขับไปกลางทางเจอร้านรับซื้อของเก่าเลี้ยรถเข้าไปเลยไปจอดหน้าร้านภรรยาบอกมาจอดทําไมนี่อ่ะนี่เขารับซื้อของเก่าเออนี่ก็เก่าเลยนะมีแต่เรื่องอันนี้จังทุกคังหน้าตาตัางนั้นเลยโอภรรยาเลยสันเต๋อเจริญพรสามีนอนหลับสบายไปเพราะนั้นเรื่องความคิดต่างๆมันเป็นขยะทิ้งลงทางขยะ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 ฝึกรู้ฝึกปล่อยปล่อยในสิ่งที่เรารู้รู้ปล่อยรู้วางรู้รทิ้งทิ้งกระทั่งผู้รู้อ่ทิ้งกระทั่งผู้รู้นี่มันจะไม่เหลืออะไรนะในทางโลกนี่บอกก็ไม่เหลืออะไรนี่มันล่มละลาย <us Process> แต่ในทางธรรมนี่ชอบไม่เหลืออะไรนี่มันไม่ต้องมีตัวตนมาเกิดในวัตาสงสาร <im it> ไม่ต้องเกิด่าพบน้อยพบใหญ่อะไรมันไม่เหลืออะไร <us> ไม่เหลือตัวกระทั่งผู้เกิดก็เห็นไหม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 อ้เราปล่อยวางอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นปัญญาผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทั้งนั้นนะอย่ากลัวอย่าเสศได้บางคนบอกว่าปฏิบัติทรรมได้อะไรปฏิบททัติรรมนี่มันไม่ใช่ได้นะมีแต่การปล่อยการวางเห็นไหมก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าหลุดพ้นว่าจิตไม่ถือมั่นนั่นคือหลุดเนี่ยถ้าจะได้เนี่ยมันไม่หลุดยิ่งได้ยิ่งเพิ่มยิ่งเกาะยิ่งกุม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 ทำไปเห isty, s <S Florence, ็นมีความสุขเลยเห็นความสุขความสุขมันดับเห็นเรามีความสุขเลยการปฏิบัติทําไม่ใช่เพื่อความสุขนะปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือสุขความสุขในภาพของเราคือต้องสุขานานตื่นเต้นเร้าใจแต่เหนือสุขเนี่ยมันเป็นอิสระมันไม่มีคำพูดไม่มีความหมายมีแต่ความรู้สึกเป็นสภาวะอิสระสบายความสนุกมันเป็นภาพของเรา แต่ความสบายเนี่ยเป็นเป็นสภาวะเห็นไหมความสนุกกับความสบายนี่ต่างกันนะสนุกนี่มันยังพุกนะมันมีความเหน็ดเหนื่อยกังวลกวายนจิตใจแต่ความสบายเนี่ยมันไม่ต้องไปเป็นแบบนั้นจิตก็เป็นปกติสุขภาพจิตดีอิสระมันก็ฟ่อนคลายก็อย่าท้อแท้ในการฟังธรรมอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติการจิสติคือการปฏิบัติธรรม